วันที่แล้วนะกับตอนบ่ายของวันนี้แตกต่างกันมากเลยนะสองวันก่อนนี่ฟ้าปิดดูมืดมัวฝนฟ้าก็กระนำํำไปไหนก็เฉอเฉาไปหมดแต่บ่ายวันนี้นะฟ้าเปิดนะแดด ก, ก็แจมกระจ่าง รู้สึกสว่างจิตใจคนเราเวลาถูกครอบงำด้วยอารมณ์ก็ไม่ต่างจากท้องฟ้าปูนีอากาศเมื่อสองวันที่แล้วมันมืดมัวมันแปรปรวนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีความรู้สึกตัวจิตก็จะ แจ่มกระจ่างเบิกบานสว่างสวยความแตกต่างมันเห็นได้ชัดมากนะให้เราลองสังเกตดเูเวลาจิตของเราถูกครอบงำโดยอารมณ์โดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลความเศร้าความโศกความเสียใจความโกรธความพยาบาท ก็จะรู้สึกเหมือนทองฟ้าเมื่อสองวันก่อนน่แต่ว่าเมื่อใดที่จิตของเราปลอดโปร่งจากอารมณ์เหล่านั้นก็เหมือนทองฟ้าที่สว่างที่มันมืดมัวอย่างนั้นเนี่ยนะก็เพราะมีเมฆนะมาปกคลุมเมฆ ก, ก้อนใหญ่ๆดำาๆครึม้มแต่ตอนนี้เมฆเหล่านั้นก็หายไปแล้ว ฟ้าก็ใสที่เมฆหายไปเพราะว่าลมพัดให้เมฆนั้นเลือนหายไปอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อใดก็ตามที่มันครอบงำจิตใจทำให้จิตใจหดถูเศร้าหมองถ้าสติของเรานะ สติของเราคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวแล้วก็จะสามารถปัดเป่าอารมณ์ที่หม่นหมองดาเมื่อ น, นั้นออกไปได้สติเนี่ยลักษณะของสติเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับธนูนะคือว่ามันว่องไวมันเร็วลักษณะของสติจะแตกต่างจากสมาธิสมาธิจะนิ่งนะจะตั้งมั่น ถ้าสตินี้จะไวจะรู้ทันอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาในใจได้อย่างว่องไวถ้าสติของเราได้รับการพัฒนาจะรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆได้ไวไม่ปล่อยให้มาครอบงำใจจกนกระทั่งรู้สึกหดหู่เศร้าหมองรุ่มร้อน หนักอึ้งโดยธรรมชาติของใจเราเนี่ยนะมันสว่างสวายอยู่แล้วนะธรรมะของเรานี่ประพัสสอนประพัสอนก็คือสว่างนะบันเจิดแต่ว่าที่มันมองก็เพราะกิเลสมันจอนเข้ามากิเลสนี่ก็เหมือนกับเมฆนะ เมื่อมันอจอนเข้ามาก็อาจทำให้ฟ้ามืดมัวได้แต่ที่จริงเนี่ยแม่ฟ้ามืดมัวก็จริงนะแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างตลอดเวลาแม้ในายามค่าคืนอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมืดไปหมดแต่ไม่ใช่เพราะว่าดวงอาทิตย์มันดับแสงนะดวงทย์ก็ยังสว่างอยู่แต่ว่าไปส่องสว่างที่อื่น ถ้าเวลามีเมฆมาปกคลุมก็ตามว่าฟ้าจะมืดมัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยดวงที่ก็ยังสว่างอยู่นั่นเองจิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจนี่ประพัฒนสอนสว่างแต่ว่าถ้ามองมัวก็เพราะกิเลสมันจอนเข้ามาแล้วมันก็มาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็เลือนหายไปเหมือนกับเมฆ ที่โดนลมพัดพาไปแต่ถ้าหากว่าความหมองมัวความรุ่มร้อนนะความหดถูกยังดำรงอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเมฆก้อนเดิมนะมันเป็นเมฆก้อนใหม่ที่ทยอยนะเข้ามาอยู่เรื่อยๆ อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดระดับเกิดระดับอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ใช่เป็นตุนเป็นก้อนที่จะค้างคาแน่นิ่งมันเมือนกระแสน้ํำนะกระแสน้ําที่เราเห็นอ่าเป็นลําห้วยลําทาหรือแม่น้ําเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นน้ํากลุ่มเดินน้ําก้อนเดิมนะมันเป็นน้ําก้อนใหม่เข้ามาแทนที่น้ําก้อนเก่าตลอดเวลา แต่ว่ามันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราเห็นมันเป็นเป็นลำนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เหมือนกันบางคนเศร้าเป็นวันบางคนเสียใจเป็นอาทิตย์บางคนนะแค้นนะเป็นปีอันนี้ไม่ใช่เพราะว่า อ, อารมณ์เรานั่ น, นี่มันคงที่คงทนนะมันก็แปลเปลี่ยนันก็เกิดและดับไปแต่ว่ามันมี การปรุงแต่งต่อเติมเข้ามาเสริมอยู่เสมอก็อเหมือนกับเปลวไฟหรือเปลวเทียนนะนะมันก็สว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับแต่ที่เราเห็นมันลุกเป็นวันก็เพราะว่ามันมีความสืบเนื่องนะของเปลวไฟตราบใดที่ยังมีเชื้อก็นะอยังมีเปลวอ่าลุกโพรงเป็นวันเป็นคืน เป็นอาทิตย์หรือเป็นปีก็ได้ไม่ใช่ว่าเปลวนะั้นเป็นเปลวเดิมนะเปลวใหม่อยู่เสมอให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เผาหลอนจิตใจหรือว่าทิมแทงใจเราบีบขั้นใจเราก็เช่นเดียวกันมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแต่พอมันมีการสืบเนื่องกันค่อยลดสืบเนื่องเป็นกระแสและที่สืบเนื่องเพราะมันมีเหตุนิปปัจจัย เหตุปัจจัยมาจากไหนก็เกิดจากการที่ใจเรานั่นแหละเอาแต่ปรุงแต่งคือนึกถึงคนที่เราโกรนึกถึงทรัพย์สมบัติที่สูญเสียไปการที่ใจเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลามันก็เปรียบเสมือนกับการเติมเชื้อเติมน้ำมันนะหรือว่าต่อเติมเสริมไส ให้เทียนหรือว่าตะเกียงนั้นมันลุกโผร่อยู่เรื่อยๆหรือว่าเติมฟืนให้กองไฟเนี่ยมันสว่างมันลุกโผร่อยู่ตลอดเวลาและที่เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคนคนนั้นที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่เราอาลัยแล้วก็จากไปการที่คิดถึงอย่าง การที่ปรุงแต่งเหตุการณ์หรือคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ข้อความไม่รู้ตัวหรืว่าไม่มีสติก็ได้ก็ปรุงไปแม้กินข้าวใจก็ไม่ได้อยู่การกินข้าแต่ก็นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นเวลาทำงานใจก็ไม่ได้อยู่กับงานก็นึกถึงเรื่องนั้นคนนั้น อาบน้ําถูฟันใจก็ไม่ได้อยู่กาศอบน้ําถูฟันแต่ว่าคิดไปถึงเรื่องนั้นคนนั้นอันนี้ก็คือการเติมเชื้อเติมฟืนให้เปลวไฟมันมันลุกโผร่อยู่ในใจของเราตลอดเวลาหรือถ้าเปรี่ยนกับเมฆก็คือเป็นเมฆที่เข้ามาต่อเติมเสริมเมฆก้อนเก่าเนี่ยอยู่ตลอดเวลา ก็ทำให้เกิดความมืดมัวจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะกับอารมณ์เหล่านั้นนะเพียงแต่รู้ทันมันหรือว่าเพียงแต่มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้สึกตัวมันก็หยุดปรุงแต่งเม่มีความเม่หยุดปรุงแต่งนะมันก็ดับไปเหมือนกับว่ากองไฟที่เชื้อหมดนะต้มันหมดมันก็ดับเท่านั้นเอง ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพ่อเราไปต่ออายุให้กองไฟหรืออารมณ์เหล่านั้นให้มันลุกอยู่เสมอทางดังที่มันลุกยิ่งลุกนานเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งถูกบีบคั้นหรือถูกเผาลนเจ็บปวดทุกทรมานแต่เพราะความหลงเพราะความลืมตัวก็เลยปรุงแต่ง เ, เติมเชื้อเติมฟืนให้มันไม่ต้องไป ดับอะไรมันไม่ต้องไปกดข่มอะไรมันเพียงแค่รู้ทันนะมันก็ช่วยทำให้อารมณ์เหล่า น, นั้นเนี่ยดับไปเคยมีคนถามหลวงปูด่ดูลว่าหลวงปู่ดูลนัตุโลนะซึ่งท่านเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นรุ่นแรกท่านมราณภาพาไปนานแล้วมีคนถามหลวงปูด่ดูลว่าทำไงถึงจะตัตดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ก็ตอบว่า มันตัดไม่ได้หรอกเพียงแต่ให้รู้ทันมันมันก็ดับไปนะตัดความโกรธให้ขาดไม่ได้กดคมให้มันหายไปก็ไม่ได้นะมันอาจจะหายไปชั่วคราวแล้วมันก็โผล่มาใหม่แต่ถ้าเกิดรู้ทันรู้ทันมันก็จะมันก็จะดับไปเพราะเมื่อเรารู้ทันก็แปลว่าเรามีสติมีความสึกตัวก็หยุดปรุงแต่งเมื่อหยุดปรุงแต่ง มันก็ไม่มีเชื้อไม่มีเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องไปได้านก็ดับไปเพราะว่ามันเกิดดับตลอดเวลาเกิดดับทุกขณะเร็วมากนั้นสิ่งที่เราถาเราปรารถนาจิตใจที่แจ่มกระจ่างนะเหมือนกับท้องฟ้าวันนี้นะหลังจากที่อยู่กับพายุฝนมานะเป็นวันๆหรือบางคนอาจจะอยู่กับพายุอารมณ์มาเป็น เป็นเดือนๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้คือนะการมีสติมีความรู้สึกตัวสติเนี่ยนะมันช่วยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะมีความสมดุลมากขึ้นเวลาดูสังเกตดูตาจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเฉ่ยเนื่อยนะมันจะเฉ่ยเนื่อยเพราะว่าความงงเอาหาวนอนหรือความปดหู่ ถ้าว่าเรามีสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรากระชับกระเฉงสติเป็นตัวเร่งในยามที่เราเฉยเหนื่อยอารมณ์อุศิที่มันครอบงำใจเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมีสองลักษณะประเภทแรกเนี่ยจะทำให้เฉยเหนื่อยนะเช่นความง่วงหาหาวนอนหรือทินมิทระความเซ็งความเบื่อนี่ประเภทเดียวกัน หรือประเภทหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งคือความลังเลสงสัยวิจิกิจฉานะนักปฏิบัติเนี่ยก็คงเจอสองนิวรสองเช่นนี้มาแล้วนะตลอดอาทิตย์นะความง่วงเหงาหานอนความเบื่อความเสงแลวกาความความลังเลสงสัยกูมาทำอะไรเนี่ยนะมันถูกวิธีไหมเนาะพอคิดแบบนี้ก็ทำให้ชงงนะทำให้ไม่อยากทำความเพียร น, นะ เกิดอาการชะ ง, งักงันแต่ถ้าเกิดเรามีสตินะสติมันจะขับไล่อารมณ์เหล่านี้ออกไปทําให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงตื่นตัวเวลาเราง่วงงาหอนอนเช่นเวลาตื่นเช้าเช้ามืดเนี่ยเราก็จะไม่อยากจะลุกแต่พอเรามีสติรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันลุกขึ้นมาทันทีกระฉับกระเฉงนะนนี้เรียกว่าเป็นตัวเล่นในยามที่เราเฉยเนื่อยหรือว่ารวมไปถึงในภาวะที่เรา ลุ่มหลงจนหลงลืมบางสิ่งบางอย่างเช่นเพลิในความสุขความสนุกสนานจนลืมเรื่องเรียนจนลืมเรื่องอการให้เวลากับครอบครัวหรือว่าลืมในเรื่องการทำความดีสร้างบุญสร้างผุญศนถ้าเกิดว่าเราจเจริญเรานัาสตินะเราเราเรือถึงความตายว่าสามารถจะเกิดขึ้นกับเราดได้ตลอดเวลาก็จะเกิดความตื่นตัวขึ้นมา พระเจ้าเปลี่ยนมันก็ว่าเหมือนกับไฟเนี่ยเมื่อตระหนักว่าไฟเนี่ยมันลุกท่วมศีสันเนี่ยก็จะเร่งทําความดีแล้พระพุทธเจ้าสอนนะแนะนำภิกษุว่าเนี่ยให้เร่งประพฤติธรรมราวกับ ว, ว่าไฟกระลุกลุกท่วมหัวก็คือให้รู้ว่าความตายเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากมันจ่อเรามันตามติดเราตลอดเวลา มื่อลุกเช่นนี้เนี่ยก็จะไม่มีความเฉยเหนื่อยนะจะเร่งทําความดีเรียกว่าเกิดอากาเรียกว่าเกิดสังเวคะสังเวคะหรือสังเวทเนี่ยคือความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกตื่นตัวที่ต้องเร่งเราทําความดีนะที่เราไปสังเวชนิสถานสี่ตำบลที่เรียกว่าสตําบลนั้นว่าวเป็นสังเวชชนนิสถานก็พอไปแล้วเนี่ยถ้าวางใจเป็นก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราต้องเร่งทําความดีต้อง เล่งปฏิบัติธรรมเล่งเจริญในอริยมรรคองค์8นะเพื่อจะได้ไม่ไม่ปล่อยให้ชีวิตในศูนย์เปล่าในขณะที่ยังมีเวลานะเพราะว่าแม้แต่พระเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาก็ยังไม่สามารถหนีความตายได้และเราซึ่งเป็นปุถุชนนีนะ่เราจะหนีความตายได้อย่างไรเมื่อ เร ล, ลุกเชนนี้ก็จะได้เล่งทองความดีแล้วขณะเดียวกันก็มีความหวังด้วยว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นไปได้เพราะว่าพระเจ้าได้แสดงให้เป็นแบบอย่างนะไม่ได้ด้วยการดนบันไดของเทพยาดาองค์ใดแต่ด้วยความเพี่ยนของพระองค์เองซึ่งก็เป็นความเพลี่ยนชนิดเดียวกันกันกบที่มีอยู่ในตัวเรานะอย่างที่เราได้สวดได้สาธยายอ่าบทสวดมาพิเศษเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการ กระตุ้นให้เราเร่งทำความเพียร น, นะอันนี้ก็ถ้าเราพิานหรือสาธยายบทสวดหมดแล้วเนี่ยเราจะได้สตินะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาเมื่อกีก้ได้พูดไปแล้วว่าอารมณ์จะมีสองแบบนะประเภทแรกประเภททำให้เฉยเนื่อยไม่อยากจะทำอะไรนะเช่นถีนมิทะความงงงาเฮานอนหรือว่าวิจิกิจฉาอีกประเภทหนึ่งประเภทว่ามันกระตุ้นให้เราทำนะกระตุ้นให้เราเร่งรีบ ทำด้วยความหลงลืมหรือลืมตัวนะเช่นการมาราคะหรือว่าพยาบาทเนี่ยเวลาเรามีมีตัณหามีความอยากในสิ่งใดเนี่ยสังเกตมาใจมันมันจะพุ่งเข้าหาสิ่งนั้นหรือว่าเราโกรธเราเครียดแค้นใครเนี่ย มันก็อยากจะพูดอยากจะด่าอยากจะลงมือทําอะไรกับคนเหล่านั้นมันจะเกิดการร้อนรว น, นขึ้นมาทันทีไม่ว่าร้อนรวนเพื่อครอบครองหรือร้อน ร, อ น, รอนเพื่อผับใส่ก็ตามในกรณีนี้สติจะเป็นตัวเบรกนะจะเป็นตัวเบรกตัวเตือนนะอยากจะไปคุยกับเพื่อนอยากจะไปออกไปในหมู่บ้านไปกินนูน่นกินนี่อ่ะ สติเตือนให้เราไม่ทำตามความอยากอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาอยากจะทำร้ายเขานะเกือบไปแล้วนะแต่ว่าสติเตือนให้เราไม่ทำอย่างนั้นนะสติเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือว่าเป็นทั้งตัวเร่งและตัวเบรกในเวลาเดียวกันก็เหมือนกับรถนะรถที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกถ้ารถ มีแต่คันเร่งไม่มีเบรกนะยี่ห้อดีแค่ไหนคนก็ไม่เอาจะเป็นเบนซ์เฟอร์รอรี่นะแต่ถ้าไม่มีเบรกคนก็ไม่เอานะเพราะไม่คุ้มกับความตายนะแต่ถ้ามีเบรกแต่ไม่มีคันเร่งนะคนก็ไม่เอาเหมือนกันในะชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีทั้งเบรกแล้วก็คันเร่งลองถามตัวเองว่าเออชีวิตเรานี่มัน มีแต่คันเร่งแต่ไม่มีเบรคหรือเปล่านะส่วนใหญ่ใ่มีแต่คันเร่งไม่มีเบรคนะแต่ในบางกรณีนะมันก็เฉื่อยเนื่อยจกนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปเร่งได้อย่างไรนะเพราะว่าเครื่องนี้มันเื่อยปหมดเหมือนกับรถที่มันมีทรายปะปบบนอยู่ในตัวถังนะอยู่ในเครื่องยนต์มันก็ขุกขลักไปหมดนะขับก็ขับให้ได้ ชื่ออย่างคนจำนวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนั้นดังนะการจลน์สติเนี่ยมันช่วยทำให้ชิ อ, องเราเนี่ยมันมีความสมดุลในยามที่ท้อแท้เบื่อหน่ายสติเป็นตัวเล่งให้เรากระฉับกระเฉงทำความเพียรในยามที่เราร้อนรนนะลุกรีลุกห ล, ล, ลนหรือว่าลืมตัวสติก็จะเตือนให้เราเนี่ยช ง, งักหรือว่าขอให้เราเนี่ยมีความมีความรอบคอบมากขึ้นนะ ไม่เพอ้อพูดเพอ้อทําไปตามอารมณ์แห่งความอยากและความโกรธที น, นี้ในการที่เราจะมีสติได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกนะนะการฝึกที่เรามามาทํากันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นการพยายามที่จะทำให้เรามีสติแต่ว่ามันก็ต้องฝึกด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะเพราะถ้าฝึก ด้วยการด้วยการวางใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสติได้ยากลองสังเกตแม้ว่าชิวนคนทั่วไปเนี่ยนะมันมักจะเบี่ยงไปหรือเสบียงไปในทางสุดตรงสองทางสุดตรงี่มันไม่ใช่มีแค่หมงบุญในการมที่เรียกว่าการมสุ ข, ขาริการนิยคหรือว่าการทรมานตนที่เรียกว่าอัตตาิเรมฐานนิย่านั้นนะ มันยัมีความสุดตรงอี่มากมายหลายคู่ทีเดียวเช่นเพลินในสุขแล้วก็จมในทุกในะ น, นเวลามีความสุขเวลาได้กินของอร่อยนะหรือว่าได้ได้ประสบสิ่งที่สมหวังก็ดีใจลิงโลดนะเพลิดเพลินปล่อยใจเพลิ้มคล้อยลอยไปกับความสุขหัวเราะก็หัวเราะเสียงดัง นะแต่เวลาเจอความทุกข์ก็ไปจะเป็นความเศร้าความเสียใจความผิดหวังก็โจมนะโจอกระทั่งหน้าตาบูดบึง้งและถึงเวลาที่ร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังสังเกตไหมคนที่หัวเราะดังเท่าไหร่เนี่ยเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังเท่านั้นนี่คือการสุดโต่งของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าจะต้องอเป็นแบบพวก หรือเสียชีพภายที่ทรามานต น, นการจมอยู่ในความทุกข์ก็เป็นความสุดตรงนะอีกทางหนึ่งอีกทางนึงคือว่าการเพลิดเพลินในความสุขดีใจริ่นโลดนะหัวเราอเสียงดังนแล้วก็พูดต่อยหอยเวลามีความสุขเนี่ยเวลามีความทุกข์ก็เงียบงั น, นแต่ถ้าเรามีสตินะในทําให้เราเนี่ยไม่ไม่เพลินในสุขอย่างนั้นแล้วก็ไม่จมในความทุกข์อย่างนั้นนะ ใน่ทำให้เราเนี่ยวางใจเป็นกลางก็คือว่าได้พบสุขเวทนาหรือได้พบสิ่งที่สมหวังก็ไม่ได้หลิงโลดจนหมดเนื้อหมดตัวเวลาเจอสิ่งที่ไม่สมหวังหรือว่าเจอความพาดพลาดสูญเสียก็ไม่จมอยู่ในความทุกข์จนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันสติช่วยทำให้ใจเราอยู่เป็นกลาง เขาเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินไล่ไม่ยินดีไม่ยินไายนี่ไม่แปลว่าเป็นซื่อบื้อนะนันไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ไม่เพลินในสุขแบบดึงโลดแล้วก็ไม่จมในทุกจนอ่าหดผูไม่อยากมีชีวิตอยู่คนทั่วไปเนี่ยเวลาเวลามีความคิดพุดขึ้นมาในใจมันก็ปรุงแต่งไปตามความคิดจนใจลอยนะใจลอยไปตามความคิด คนะันเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามไปกดไปห้ามความคิด น, นั่นก็เป็นสุดตรงอีกเหมือนกันนะนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนั้นตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัติก็ปล่อยใจลอยนะฝันกลางวันยืดยาวแต่พอมาปฏิบัติธรรมก็ตั้งท่าจะกดข่มความคิดหรือว่าบังคับความคิดอย่างเดียวแก่อนมาปฏิบัติก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจนะ แต่พอมาปฏิบัติข้อจาก็จะพยายามบังคับกายบังคับใจนะบังคับการเดินบังคับการยกมือบังคับการหายใจนะเสร็จแล้วก็เลยเครียดนะเสร็จแล้วก็เลยเกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกนะหรือว่ า, าแข็งทื่อไปทั้งตัวนะนี่ก็สุดโตเหมือนกันนะ นักปฏิบัติใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหลนะหรือบางทีก็ทำสองอย่างสุดตรงสองทางนะในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะเวลาฉันเวลากินอาหารก็ใจลอยปล่อยไปเต็มที่นะเวลามาปฏิบัติก็พยายามบังคับกายบังคับใจลดกดข่มความคิดนะอันนั้นก็ไม่ใช่ทางนะหรือว่า ส่งจิตออกนอกนะเวลามีเสียงประทัดเสียงดังอ่าก็เสียงเพลงส่งจิตออกนอกไปแล้วพอรู้ตัวว่าส่งเจออกนอกก็กลับมาเบี่ยงไปอีกทางคือเ พ, เ, พ เ, พเพ่งเข้าไหนนะไปดักดูความคิดนะไปะพยายามกดข่มอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อันนั้นก็สุดโตเหมือนกันนะถ้าการเจริญสตินี่มันอยู่กลางๆนะก็คือว่าไม่ใช่ปล่อยใจลอยไปตามความคิดแล้วก็ไม่ไม่ไปกดข่มบังคับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อมีความโกรธมีความไม่พอใจนะก็ให้เพียงแต่รู้ทันมัน แค่รู้เฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนแล้ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็รู้เฉยๆรู้ซื่อๆแค่นั้นก็พอและนะไม่ต้องไปผลักสนะเพราะว่ายิงผลักไสก็ยิงกลายเป็นการยึดติดผลักสายก็ยึดติดนี่มันมันมันไปด้วยกันนะเวลาเราพยายามผลักสอารมณ์รากว่าโดนอารมณ์นี่มันดูดไปเลยกลายเป็นยึดติด ผูกติดอยู่กับอารมณ์พยายามผลักไสความคิดความคิดนี้มันรบกวนจิตใจเราเหลือเกินพยายามกดข่มมันปราะว่ายิ่งพยายามผลักไสก็ยิ่งหลงเข้าไปในความคิดมันพาติดพาใจเราเรียกว่าล่าลูถูกกังไปเลยแม้ความโกรธก็เหมือนกันอยากจะผลักไสความโกรธเพมันเผาล้นจิตใจเหลือเกินแต่พอผลักไสไปอา้าวกลับหลงจมอยู่ในความโกรธหนักขึ้น นั้นยิ่งผักสายนี่ก็กลายเป็นการยิ่งยึดติดนะเหมือนการเราไม่ชอบเสียงนะในช่วงนี so ้ก็มีเสียงรบกวนเยอะนะที่จริงมันก็ไม่รบกวนหรอกต่อเมื่อเราไม่ชอบมันมันถึงกลายเป็นการรบกวนถ้าศักแต่ว่าได้ยินนี่มันไม่รบกวนใจนะแต่พราะเราต้องการผักสายมันเพราะเราไม่ชอบมันมันก็เลยกลายเป็นเสียงรบกวนและยิ่งเราไม่ชอบยิ่งผักสายใจก็ยิ่งไปผูกติดจดจ่ออยู่กับเสียงนั้น นะยิ่งผลักสายการเป็นการยิ่งยึด ต, ติดนะอันนี้เราก็ต้องต้องฉลาดแล้วก็รู้เท่าทันว่าทางที่ดีคือว่าอยู่ตรงกลางๆงนะคือว่าไม่ไม่ผลักสายนะแล้วก็ไม่ไม่เผลอไปยึด ต, ติดมันแม้อารมณ์ที่น่าพึงพอใจเช่นเสียงที่ไพเราะหรืออาหารที่อร่อยเราก็สอบแต่ว่ารู้เฉยเฉยนะยิ่งไปครอบครองมันนะก็จะ ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเราเหมือนกับที่คนก็เปรียบเทียบยความสุขนี่นะมันเหมือนกับคนที่เราลักแต่เขาไม่ลักเรายิ่งเราอยากเข้าใกล้เขาก็ยิ่งหนีห่างส่วนความทุกข์กนี่เราไม่ชอบเราอยากหนีเราไม่ชอบเขาแต่เขาชอบเราเขาก็ตามติดเราไปเรื่อยๆตามติดเราแจเลย ไอ้สุขเวทนาทุกสุขเวทนาเป็นอย่างนั้นยิ่งผลักสายมันยิ่งตามติดเราส่วนสุขเวทนายิ่งอยากได้ยิ่งครอบครองมันกับยิ่งหนีนะพวกเราคงสังเกตได้คนที่อยากได้ความสงบยิ่งอยากได้ความสงบความสงบก็ยิ่งหนีห่างเลือนหายไปไกลไอ้ความเครียดความวุ่นวายยิ่งไม่ชอบมันยิ่งโผล่ยิ่งผุดมาให้เรายิ่งโผล่ยิ่งผุดมารบกวนจิตใจเรามากขึ้น วิธีที่จะรับมือมันก็คือวางใจเป็นกลางลก็คือดูมันเฉยๆนะาการปฏิบัติเนี่ยต้องวางใจเป็นกลางนะไม่เผลิในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกขนะ์ไม่ปล่อยใจลอยไปตามความคิดและขณะเดียวกันก็ไม่ไปบังคับความคิดให้มันให้มันนิ่งหรือว่าหมดไปนะไม่เผลิแล้วก็ไม่เพ่ง เผลอก็ไม่ใช่เพ่งก็ไม่ใช่แต่เราก็มักจะเบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอนะจนกว่าเราจะมีสติแล้วเราวางใจได้เป็นเนี่ยก็ <c oughs> จะรู้ว่าตรงกลางๆระหว่างสุดต่งสองทางแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานนะใหม่ๆเนี่ยจะขี่เป็น สามารถจะขี่ได้โดยที่ไม่ไม่ล้มเนี่ยยากมากเราก็รู้นะว่าจะต้องทรงตัวให้พอดีพ ด, พดีถึงจะขี่จักรยานได้แต่ว่ามันก็ทําไม่ได้สักทีนะคือถ้าไม่เกรงเกินไปก็ยุ้ยอ่อนยุ้ยเกินไปมันก็ล้มทุกครั้งที่ที่ขับขับได้ไม่นานก็ล้มไม่ล้มซ้ายก็ล้มขวา แต่พอขี่ไปขี่ไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือเป็นวันเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อไอ้กลางกลางเนี่ยไอ้ภาวะที่เป็นสมดุลหรือเป็นกลางกลนี่มันคืออะไรนะถึงตอนนั้นเราก็สามารถขี่จักรยานได้สบายถึงตอนนั้นปล่อยมือก็ได้นะไม่จับแฮนด์เราก็สามารถจะขี่จักรยานได้เพราะเรารู้จังหวะเรารู้ความพอดีเรารู้าการที่จะรักษาทรงกายให้สมดุลเป็นอย่างไร ก็สามารถจะขับไปได้นะนะหลายกิโลเป็นชั่วโมงช่วโมงก็ได้ในการจลนสติก็เหมือนกันต้องอาศัยการวางใจให้ให้พอดีหรือให้เป็นหรือจะเรียกว่าวางใจเป็นกลางๆงก็ได้คือไม่เวี่ยงไปทางสุดตรงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งและตรงนี้เราจะทําให้เราได้พบกับความรู้สึกตัวสติความรู้สึกตัวนี่เป็นของคู่กันเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝด เมื่อเรามีสติรู้ทันความคิดนะก็ทำให้จิตเนี่ยสามารถจะหลุดจากความคิดไอ้ที่เคยเพล่อไปอดีตบ้างหรือสุดตรงไปทางอนาคตบ้างก็สามารถที่จะพาจิตกรรมอยู่ปัจจุบันแตปัจจุบันนี้ก็เป็นทางสายกลางนะปัจจุบันขณะการที่จิตเราอยู่กับปัจจุบันขณะคือทางสายกลางไม่เวี่ยงไปทางอาดีตกับอนาคต เราทำเช่นนี้นได้เพราเรามีสติเพราจริตเรามีสติเราไม่หลุดเข้าไปในอดีตหรือนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เรียกว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีความรู้สึกตัวความสึกตั ว, ว, ตวทําให้เราสึกโปร่งโล่งนะเบานะเหมือนกับท้องฟ้าที่มันปราศจากเมฆหรือพายุฝนที่ลุมกระหน่านะอย่างที่เรารู้สึกสัมผัสได้ด้วยตัวเองเมื่อสองวันก่อน ความรู้สึกตัวนี่มันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีและคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นจึงเรียกว่าคนที่มีชีวิตอย่างแท้จริงนี่งสําคัญมากนะคนเราจะมีชีวิตเต็มร้อยได้ก็เพราะว่าอยู่กับปัจจุบันขณะจิตอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะไม่เป็นนะก็ถือว่าเราไม่มีชีวิตที่เต็มร้อยหรือว่าบางทีเหมือนกับเ ร, รียกว่าอยู่เหมือนตายก็ได้ คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะเวลาเขาสูญเสียคนรักเขาสูญเสียทรัพย์สมบัตินะเขาจะจมอยู่กับอดีตแล้วนะเขาจะนึกถึงแต่คนรักสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียลูกเนี่ยเขาจะเราเห็นสารลรูบเขาเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีชีวิตชีวาเลยนะจมอยู่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว เนื้อตัวไม่ใส่ใจนะบางทีเสื้อผ้าหรือว่าหน้าผมนี้ไม่สนใจเลยเพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงในการที่จะใช้ชีวิตคนเหล่านี้เขาไม่อยู่กับปัจจุบันนะเขาอยู่กับอดีตแล้วเขาก็เลยเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นหรือว่าอยู่เหมือนตายอีกประเภทหนึ่งเป็นมะเร็งนะหรือว่าเจอโรคร้ายเพราะว่าเป็นโรคร้ายเนี่ย ทางที่ร่วมก็ยังไม่ได้ทำให้ร่างกายย่ําแย่เนะีแต่เพียงแค่รั่วเป็นมะเร็งเท่านั้นก็จมมืนอนเรียกว่ากดหูเศร้าหมองนะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทําอะไรนะเมรุตาเมรุลอยไม่มีชีวิตชีวาเลยคนอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ข้ออยู่ก็เหมือนตายนะข้ไม่มีชีวิตอย่างแท้จริง พวกเราก็เหมือนกันแม่เราจะไม่ได้สูญเสียของรักคนรักหรือว่าไม่ได้พบววตัวเองเป็นโลคลายแต่บางทีเราก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยใจไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเราใช้ชีวิตเหมือนคนละเมอหรือเมื่อคนที่อยู่ในฝันร้ายนะคนที่กังวลกับงานการที่ค้างคายอยู่นะหรือว่ากังวลกับี้สิต น, นะก็ไม่ต่างจากคนที่กาลังหลับแล้วก็อยู่ในฝันร้ายนะ ละเมอเไม่มีชีวิตนะที่เรียกว่าเต็มร้อยอย่างแท้จริงต่อเมื่อคนที่อยู่กับปัจจุบันรู้จักรู้จักวางอดีตกับอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันวางอารมณ์ต่างๆที่ครอบงำจิตใจแล้วเขาจะมนะีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องวางแผนนะกับอนาคต ถ้าเราจะวางแผนแล้วก็วางแผนด้วยใจที่รู้ตัวนะไม่วอกแวกการใคร่ครวนถึงอนาคตนะเราก็สามารถทำอย่างมีสติได้ตอนนั้นก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันนี้ยังมีความหมายว่าการทำกิจที่กำลังทำอยู่เนี่ยด้วยความใส่ใจไม่ วกวักนะหรือว่าเวลาเราจะประเมินสิ่งที่ผ่านไปแล้วประเมินงานการที่ผ่านไปแล้วประเมินชีวิตที่ผ่านมาเราใครายปลนเพื่อหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรแก้ไขถ้าใจเราอยู่กับงานหรือการกระทําตกล่าวก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันได้เหมือนกันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าคิดถึงเรื่องอดีตไม่ได้ มันอยู่ที่ว่าคิดแบบไหนคิดแบบใครควรวหรือคิดคิดแบบคร่ำควรวนส่วนใหญ่นี่คร่ำควรวญนะนึกถึงอดีตที่ไรก็ ค, คล่ำครวนอดีตอันนั้นไม่ใช่นะวิสัยของชาวพุทธแต่ถ้าเกิดใคร่ควรวนอดีตเนี่ยอันนี้ถูกนะเป็นการใช้ปัญญาและต้องมีสติก็ให้รู้ว่าตรงนั้นแหละคือการทำหน้าที่คือการอยู่กับปัจจุบันเมื่อทให้เราได้ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่เต็มร้อยนะต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันให้เป็นไม่ปล่อยใจให้หลงไปกับอดีตกับอนาคตถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับหลับเราก็เหมือนกับละเมอนะหรือว่าหนักกว่านั้นคือเหมือนกับตายทั้งเป็นาการมีสติมีความสึกตัวจะทำให้เราตื่นนะตื่นไม่ได้ตื่นเพียงแค่ตาเปิดนะแต่ว่าใจก็ตื่นด้วยตื่นตัวมีชีวิตชีวา อันนี้เป็นปฏิหารนะท่านติณฑ์ธรรมท่านเป็นพระเวียดนามท่านเขียนหนังสือชื่อปฏิหารในการตื่นอยู่เสมออ่าซึ่งพิมมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วเป็นหนังสือที่มีชื่อมากท่านเน้นว่าตื่นอยู่เสมอเนี่ยคืออะไรก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัวเนีนถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เต็มร้อยจริงๆนะดำเนินชีวิตอย่างมีชีวา น, นี่ก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวนะเอาละเอาคำนี้พูดกันเท่านี้